บทภาชณี415กรรมที่ทำถูกต้องพิกษุตสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องไม่สละต้องอบัตสังฆาทิเศษกรรมที่ทำถูกต้องภิกษุไม่แน่ใจไม่สละต้องอบัตสังฆาทิเศษกรรมที่ทำถูกต้องภิกษุตสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องไม่สละต้องอบัตสังฆาทิเศษกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุตสำคัญว่าเป็นกรรมที่ถูกต้องต้องอบัตทุกกฎ ร, รมที่ทำไม่ถูกต้องพิกูุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎก ร, รมที่ทำไม่ถูกต้องพิกูุสํสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องต้องอบัตทุกกฎ